สวัสดีครับชื่อโมนาครัตอนนี้เป็น o อเนอร์เชที่ร้าน W Pasta ตั้งแต่14จนมาถึง21ตอนนี้ทั้งชีวิตก็มีแต่ครัวครัวครัวครัวที่สสยหน้ากางน่จริงๆก็อยากจะแบ่งแยกชีวิตส่วนตัวกับชีวิตทำงานเอาไว้